ตอนนี้ไปเวลาเวลาไม่พอเวลาน้อยโยมไม่อย่ามหลายวันแล้วไม่ค่คยได้พูดกันไม่เอยได้ถามเพราะว่าวัดประพงมันแขกมากทั้งกัางวันกันคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดโยมของใครพิทยาโน <laughs> โยมของคิดใจยานูมาเยี่ยมจากปา ร, รีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดปะโพงสามคืนแล้วก็จะมาพักที่วัดปานานาชาตินี้สามคืนอีนอกสองคืนก็จะไปกันนะฉะนั้นจึงเพือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุสาพยายามมาเยี่ยมวัดหนองปะาพง แล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกพระลูกชายด้วยอืมแต่ก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝากวัตถุจริงของอะไรคงอยู่ป ร, ริดคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบรับนี้ไม่ค่อยจะมี ที่อาตมาไปสั้งเกตเหตุการ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลาที่อาตมาไปสั้งเกตเหตุการ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปารีสที่อยู่นั้นจเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกา ม, มารมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโปรดสัพพะธรรมารม เป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะซึ่งไปปฏิบัติอยู่รุงปารีดเมื่อจากอาวัดหลวงปรพรุ่งและวัดนานาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้ จะแปลไปด้วยเด็เอาเลยนี่นะเอาเลยไ ม, ไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากรำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนก ว, ว่ามันจะหมดไป สภาพอันนั้นเรียกว่าธรรม ะ, ะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาประจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยปไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อะไรมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมัน เพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาออฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีพ้นทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญา สร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้น mm. ก็ไม่มีอะไรอื่นไกลที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกาย ก, ายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวาย เป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้จงโงประงับก็คือกายกับใจอไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากวัดเอาสีเขียว ใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันแผนนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันแผนนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบาย เมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใ จ, ใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกันกบน้าที่สูกสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้าฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่ จิตของเรานี้กววันการชนนั้นเป็นจิตที่สายศาต์เป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์คู่จะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี่เหมือ น, นกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีรมมาพัดมันก็นิ่งสงบ ระงับอยู่ถ้ามีรมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของรมจิตใจนี้ก็มือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งทาไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วเขยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยไป จนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโลกประสาทเพราะไม่รู้เรื่องอืมปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรกักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่ไ ม, ไม่เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนคนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั้นก็ขาดที่พึ่ง คนขาดที่พึ่งก่อปิทุกจิตนี้ถูมันตันฉันนั้นถ้าว่าขาดการโอกรมโบมิสยัยทาความเห็นในถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้ง กรรมคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่ดดานี้ก็มีส่ว น, นสองอย่างเท่านั้นเนี่ยกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรม ท, ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมานั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่ เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดกกายกับใจกายมองเห็นได้โดยตาเนื้อจิตมองเห็นโดยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเทนี้มันบุญวายกันมิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเออ อจิตนี้พิจรารณาใกล้จิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทางหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั่นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกบ้าง อารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใครเป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ทนันยังว่าจิตแในปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาจจะมาพูดให้ฟังอยู่เดีย๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูรัรู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั่นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิต จิตนี้ไม่มีตัวจิตนี่ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพยายิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้วจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จอนกันมาสองอย่างนี้มันกระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกกางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่าง ที่นี้เมื่อเราม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทําจิตของเราให้ยุ่งการแต่ทาจิตในเป็นรากฐานก็คือธรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียวกว่าอาณาปานสติอาณาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอื เรียกว่ารมอนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักอให้รู้จักการกระทํากรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันคือยากลาบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งแต่ขั้งยึกดาบันมาแล้วเรานั่งสมาธิ ตอนเรามีโอกาสดีๆเราพอไปนั่งสมาธิกาหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายจะตั้งกายให้มันตรงแล้วขนึกในจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนอิจ ของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามรม น, นี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่รมอย่างเดียวนี้เราก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีสติคือความระึกได้ ัำปัสัญาคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโ น, น้นไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้เรากำหนดลงหายใจออก เดีวก็หายใจเข้าเรากำหนดสติความระลึกดได้ตามกไปสัมปสัญญะความรู้ตัวบาบาปนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูก เมื่อลมหายใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่อทยัยเอปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลมหนึ่งจมกูกสองอััยสามสะดือแล้วก็หนึ่งสะดือสองอัยัยสามจมกูกกําหนดสามการนี้ หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นในกำหนดรงมนั่งกำหนดไปให้รู้จากต้นดมกลางดมปลายดมต้นดมกลางดมปลายดมเสมอบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องเราเรื่ต่างๆขึ้นมาเป็นตัวยกรมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์ ออะจิตนั้นมันก็จะเป็นวิจารณ์คือการพินิจพิจารณาคลุกคลีไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยไปอืทําอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักสม่ําเสมอแล้วตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลม ปลายรวมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทําไปทําไปเช่นนี้จิตมูตุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมูตุตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตต้องกระรวงเข้ารมหายใจกระละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้ สัมปชัญญะคือควารู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี้เองเราทำแบบนี้ไปต่อไปด้วยเรื่อยไปจนปกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักไฟอยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลงก็รู้จักปลายลงนี่ก็รู้จัก เมื่อรู้จักเช่นนี้ลรวก็กำหนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเราว่ามันออกเดี๋ยวมันเข้ามันออกมันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเราในจุนจิตของเราสบายสงบความสงบขอ ง, ของจิตเกิดขึ้นเนี่ย ให้หยุดจิตนี้เดียวหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกตลอดไปนี่การกระทาจิตเช่นนี้เดียกว่าทําจิตให้สงบแล้วทาจิตให้เกิดปัญญาออันนี้เรียวกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานก้องาำรฐานอันนี้ให้พยายามทาทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเลลวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานีออ้มีหลายประการเมือนกันในอิริยาบถทั้งสีมดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ ขอเถอว่าเรามีสติคำนดอยู่เสมอเลยว่าบัดนี้จิตใจเราอยู่ในลักษณนะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไ้ยให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้นี่หมายความว่าให้รู้จากความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลา นี่เดียกว่าการทําจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นนะเมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจารณาพิจารณาหรือพิจารณากรรมฐานคือร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไป้าปรายเท้า ตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาทีตะเอาจิตที่สงบได้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่ที่ให้เห็นเกศาโลมานขาตันตาตาโจเป็นกรรมฐานนี้วะให้เห็นว่าลูกร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีลมกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐาน เรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าจักรนี่พระบรมศาสดาตราัสสอนว่าอันนะี้จักรจ่ธาตุเท่านั้นคือดินอาวัยวะร่างกายเราเนี้สิ่งที่เคลื่อนแขน็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเราเนี่ยจะนกวธ า, าตุนะ ลมพัดขึ้นบังบนลงเรื่องต่ำนี้ท่านปริวารถัดลมความร้อนอบุญในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ท่านบริวารถัดไฟที่นี่คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรังไม่มีเขมีไม่มี ยวนไม่มีล่าไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ํามีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ทีนี้ยึงสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาในความจริงว่าเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะควับไม่มีอะไรถ้ดินก็ดีน้ําก็ดีไฟก็ดีลมก็ดีเรียกว่ามนุษย์นี้ เ, เป็นกรอบเปด้วยอนิจจงทุกขังอนัตตา คือเป็นของแม่แน่ยืนเป็นของไม่ยังยืนเป็นของแม่แนนอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ชันี้ไม่ยังยืนอยู่กับที่แม้แต่ว่าร่างกายของเราก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไ ป, ไปมาอยู่เสมอเลยทีเดียวเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมด ถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี้กุมันตันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเตมันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายก็ได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่เนโนน้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นเป็นทุกข์บัง่งเป็นสุขบัง่งสลับซ้อนกันไป นี่เด้อจิตนี่มันเป็นของไม่แน่นอนตายนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมเลือวเป็นอนิจจังรวมเลือวเป็นทุกขังรวมเลือวเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายนี้พระบร ม, มครูของเราทันเชงว่าไม่ใช่สั ต, ว, ตว์ไม่ใช่บุคคลไม่เจตัวไม่เจตตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าธาตุคือดินน้ำไฟลมธ น, นัตติอันนี้เรื่องการพิจารณาเอาจิตมาพิจารณามันเห็นชัดลงไปแค่แล้ว เมื่อมาเหนชัดตรงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเราทุกบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายๆอย่างนี่มันก็ถอนไปพอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นเดียนเดียวกันกับไทยสารพัดอย่าง มันเป็นธาตุเห่านั้นคือเป็นดินเป็นนา้าเป็นไฟเป็นดมเมื่อจิตตัวเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปท า, านความยึดมัน่นความถือมัน่นออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพินาเห็นอนิจจังทุกขังนาตาอะไรตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็น่าสังเวชถอนอุปท า, านออกแล้วถอนอุปท า, านออก ไม่ก็ระยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นต้นว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างจิตใจเห็นเช่นนี้มันเกิดนิพพิทาความเมื่อนายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตาแล้วจิตใจเราคอยจุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดี มันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทผลสุดท้ายที่จะทำคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมฐานฉะนั้นอันนี้จึงจะขอฝากโยมเอาไปพิจิตรจารณาเอาไปศึกษ า, าประจําวันประจําชีวิตของโยมแม่มารับธรรมะโอวาทคําสั่งสอนไปจากมาจากวัดนงประพง์ หรือวัฒนาชาติแล้วอันนี้เป็นมรรกตูกทอดนี่นายโยมมาคราวนี้นะ่ะพระทั้งหมดทางตาลูกชายด้วยทางพระอาจารย์ทางหลายด้วยแล้วเขาเอาธรรมานี้ฝากเอาไปพินาใจเราก็จะสบายต่อไปนี้ใจจะไม่วุ่นวายใจก็สงบรงับกายวุ่นวายก็ช่างมันใจใน่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวาย ถึงแน่ความวุ่นวา ย, ยาในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายพอ้อจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องมีฉะนั้นจงจำเอาไปพิิศติจารณา